ลังทำกันเนาะหาได้บอกซักหน่อยจะได้ไม่บกพร่องบอกความเท็จความจริงที่มีอยู่ในชีวิตเรานี่เคยตรวจตาตัวเองก็เราทำอะไรได้ทำอะไรเชื่อไหนเพียงไร ตอนที่เราอยู่ในห้อง i อซก็มาสัมผัสกับความเก็บความตายแล้วก็แล้วก็ได้ผลเรียนมาสี่สิบกว่าปีเมื่ออีเหตุการณ์หนนั้นเกิดขึ้นเราก็เป็นกีฬาของเราอนะันน่นก็มาคิดว่าเออถ้าคนไม่มี กรรมฐ า, านหมาคือฝึกหัดตัวเองนี่จะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะทํำยังไงเวลาเขาเจ็บเวลาเขาจะตายเวลาหายใจไม่ได้เขาจะทำงไงก็มาคิดถึงผู้ถึงคน เ, เราก็สอนนี่แล้วเราก็สอนแล้วเราก็บอกแล้วสอนกรมาถามก็สอนกันอยู่แล้วฝุกสติก็สอนกันอยู่แล้ว พออยังเพียงพอไหมที่เราทํามาเนี่ยยังยังไม่เพียงพอเอาให้มากกว่านี้ <c oughs> คิดไปอเออเาจะสอนได้ไงเราจะตายอยู่เราจะไม่มีแล้วเราต้องไปต้องตายสิต้องไปสอนคนก่อนอันนี้ก็เออถ้าถ้าเราไม่ได้บอกเรื่องนี้นะถือว่าเราบกพรงที่สุดอันเจง ให้มีโอกาสได้บอกสอ่ง่อยไม่ใช่สอนโดยเฉพาะหลงตาน้่ก็อยู่ในวัยแก่แล้วชราแล้วเดี๋ยวจะไม่ต้องเดี๋ยวจะไม่ได้บอกอต่อไปกท่านทั้งหลายยังมุมอยู่ก็พยายามที่จะรับหน้าที่อนี่ไปสอนตนเดงได้แล้วสอนคนอื่น บอกตอนเดิงได้แล้วบอกคนอืินอยากให้บอกพ้องในชีวิตของคนเราที่เกิดมาอย่ามัวแต่สนุกสนานเพลิดเพลินได้ได้เสียเสียเป็นสุขเป็นทุกข์ควกน้องสนุกสนานการได้การเสียอันสุขทุกข์นั้นไม่ไม่ยีลังยั่งยืนมันหมดมันมีอายุเหมือนกันร้อมสนุกก็มีอายุนะ เพิ่มได้การเสียเกิน <c oughs> สุขทุกข์หมดเนี่ยมันมีอายุอย่าไปอยู่ตรงนั้นตรงที่มันมาจะถามที่ิงคือมันไม่มีอะไรภาวะที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่มีอายุเลยยืนยาวไม่มีอะไรมากําหนดเดีย๋ยวนี้ชีวิตของเราเนี่ยมีสิ่งกําหนดให้เรา ใช้ชีวิตประจำวันมากพอสมควรกับชีวิตที่ว่างเปล่าเพราะว่าที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะมีโอกาสจะเยินไปเี็ น, น้นอยฮะนตก <c oughs> เออ <c oughs> ฝนมาล่าเดือนยังมีฝนจน้หมดแล้วตามปกติเนี่ยก็ล่างหางปลีทีบก็ถือว่าล่าที่สุดแล้วคน่างหางปรีทีบคือออกพรรษาถือว่าล่าที่สุดอันนี้ก็ยังกลายมาอีกใก้ เกือบจะถึงสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนี่ธรรมชาติ <c oughs> เรากําหนดไม่ได้แต่ธรรมชาติในตัวเราเนี่เราโลภโลกได้ใช่ธรรมชาติไม่เป็นประโยชน์ แต่ธรรมชาติภายนอกเนี่ยบางทีมันลงโทษสัตว์โลกอย่างปีนี้น้ำท่วงมงบ ป, ประมาณ 4,000 ล้านนั่นไปธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้นมาระหว่างม็อบความวุ่นวายถกเก็บถูกก่วยปะทากัน สองข้างสองข่าวนะงบประมาณติดสามพันล้านเกี่ยวยาอันนี้เกิดจากมนุษย์บ้างเกิดจากธรรมชาติบ้างภายต่างๆมันเกิดขึ้นต่อชาติบ้านเมืองต่อชีวิตทรัพย์สินของเราเราจึงใช้ชีวิตแทนบรรจงที่สุดก็จะไม่ให้สิ้นเปลืองธรรมชาติในตัวเราและ นอกตัวเราเราใช้ชีวิตของเราไปกับความสนุกสนานพุกขีใกกกก่ใช้ชีวิตไปกับการได้การเสียใช้ชีวิตไปกับการสุขการทุกข์มันเสียเวลามากกว่าการไม่เือนอะไร คนบราณเราถ้าผลแบบนี้ <c oughs> มาแบบนี้ผลสั่งลา <c oughs> ผลจะสั่งลา เงียบ่าดีนะทังเสียงกว่าเงียบดังกว่าอะไรทั้งหมดเลยเสียงผลเสียงคลื่นทะเลไม่เหมือนเสียงลำโพงเสียงรถเสียงหล่า คนใหมีสมาธิได้แต่คนส่วนมากไม่ค่อยชอบชอบฟังเสียงปุมบุงแต่งๆถ้าเป็นเสียงถ้าเป็นดังอันหนึ่งคือความสงบณทิสันติพลังสุขของสุขอื่นยี่กลัวความสงบไม่มีอาจารย์พุทธา แต่กอนี่ว่ามือฉันตกข้างเดียวเสียงดังกรงมือท่านตกสองข้างเสียงเต็งดังได้เสียงมือท่านดังไกลไม่กี่ว่าจำไม่ได้จำได้ไหมไม่กี่น้อย <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นอาจารย์เขาเราตอนที่ท่านมรณาภาพเราก็คิดแบบหลวงพ่อเทียนเอาอาจารย์มรณาภาพเราผมอยากอยู่ลูกศิษย์ได้น้อยยังอยู่จะทาหน้าที่นี่ไปจึงเอาพรอะไรมาพูดอยู่เรื่อยๆหลวงพ่เทียนมรณาภาพลงเราก็คิดเหมือนกันเราก็่มรณาภาพไปแล้วเราเองก็คิดอย่างนีเหมือนกัน ันเราก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันหนึ่งจากเราก่อนขอรับผิดชอบเรื่องความเท็จความจริงบอกสุ่อนฟังโดยเพราะในตัวเราเนี่ยถูกความเท็จความจริงหลอกให้เราหลงแทนที่เราจะได้ปัญญามันก็พลาดเยอะแยะไปเลยมันมาบอกเรามาสอนเรา เราไม่เอาบทเรียนจากความทุกของวามพีความทุกข์มันมีบทเรียนเยอะแยะความสุขก็ ม, มีบทเรียนเยอะแยะความผิดความถูกความได้การเสียสนุกสนานทุกขี่อะไรมันหลอกเราเราก็หลงตรง น, นั้นงั้นพระพุทธเจ้า ดาพระสงฆ์พระสงฆ์คุกคีกันพิสูจ์ทั้งหลายถ้าพวกเธอคุกคีกันอย่างนี้ไปนอนดีกว่าการนอนก็ถึงเป็นเรื่องเร็วที่สุดแล้วนอนกลางวันแต่พระพุทธเจ้าไปเห็นพิกษุน์นงหงอหลอกก็ลุกให้กันพุทธเจ้าบอกไปนอนดีกว่าในการคุกคีกันมันมีอายุ ไม่จริงแต่ว่ามันก็อยู่ในในในวหวในในภพภูมิต่างๆมีขันหน้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเดียวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีล้วนแต่คุกขี่ล้วนแต่หลงตรงนั่นทั้งนั้น ขันศีขันคืออะไรนับแต่วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ที่ใดอยู่ที่เรานี่ยขันท่าขันคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายมนุษย์สัตว์เดรัจฉานขันหน้าขันขันขันเดียวคืออะไรคือจิตที่มันท่องเที่ยวไปมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่เราน่อยู่ในพบใดภูมิใดเคยเคยช่วยแบบไม่ไม้ ไม่ใช่ไปมองนอกตัวอยู่ในตัวเราโลดอยู่คนอื่นด้วยให้มันสมบูรณ์แบบถ้าจะมีความเมตตากุณนาะส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยให้เกิดบรรลุธรรมได้ถ้ามีการกระทําทั้งดานการกระทําให้เกิดขึ้นนั้นก็ยิ่งสมดุลโดยข้อมูลร่วมกันตอบสนองกันได้ดีทั้ง น้ำใจที่คิดไปออกไปข้างนอกไปเมตตากุณาตรวจตามทั้งภายในของเราก็เลยเป็นพลังร่วมของยากลายเป็นของง่ายของหนักกลายเป็นของเบาได้นี่ไปคิดบองไปข้างนอกขันสีขันพวกภพภูมิต่างเป็นเปรตก็มีเป็นเดระฉันเป็นเจตนรกเป็นอาุกกายเป็นเทวดาเป็นพระพรหม พร อ, อินเพาะปมได้สี่ขันเนี่ยนับจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็น ส, สุข์ทุกข์ทุกข์ทุทได้ทุาขก็เราก็ตรนนุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกขทุ์ทุกข์ุกถ้ามันอยู่ในเราก็หยุดในภูมิ์ทต่างๆกรรมาุราข์ทุกขทุกอ์ทุกข์ทุกข์ทรกข์ทุกข์ุ้กข์ทุกข์ทกข์ข์กข์ข์ทุกขกข์ท มันเกิดขันสี่ขันขึ้นมาอะไรนับจากเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเป็นบาปก็ดีเป็นบุญก็ดีเป็นกลางๆงก็ดีเห็โลภะโทสะโมหะอะไรก็ตามมันเกิดเป็นขันสี่ขันพบน้อยพบใหญ่พบน้อยพบใหญ่กันนิดๆน่อยๆ ถ้าเป็นความโกรธก็นิดหน่อยถ้าเป็นความโกรธผูใจก็มากๆเป็นดารุกขุมใหญ่ถ้าโกรธน้อยทุกน้อยก็น่ารุกขุมน้อยต้องอุทิศช่วยตนและช่วยคนอื่นให้เป็นจาดีแต่พูดแต่สวดต้องเป็นภาคปฏิบัติไปในตัวให้มันสบมบูรณ์แบบแล้วก็มันจะช่วยได้ปูพรม ชีวิตมองไปทางใดเมตตากุณาออกหน้าออกตาอย่าให้โท่โสงโมโหเห็นเฉยตัวคนรักเอาไว้ข้างหลังคนชังไว้ข้างหน้ามีปลาป้อนอาหารป้อนคนชังเอาไวข้าาไวข้างหน้าป้อนเหมือนเขาบอกว่าเล็กลีเงเนี่ยถ้ามันมีลูกสองตัว คนที่ชังเอาไว้หน้า อ, อกคนที่รักเอาขี่คอหมายถึงจิตของเราเนะี่เอาความโกรธความรุกอกหน้าออกตาไม่ค่อยจะลืมนะคมรักความชังความสนุกสนานซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์มันมีอายุยังไปหลงอยู่ตรงไหนกันคนชังแต่คนรักคนที่รักคือความดีความไม่เป็นเลยเนะี่ย คมไม่เป็นอะไรความมั่งวางความสงบไม่ปรุงปรุ ง, งแตง่งแตง่งมักแคไว้ข้างหลังนานหรือเกินจึงค่อยรู้ทีหนึ่งวางปรุงปรุ ง, งแตง่งแต่งก็มากขึ้นเป็นสังขารเป็นสมุทยัยเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับสิ่งปรุงปรุงแตง่งแตง่งเมื่ไรจะหยุดมันได้ไรจากการปรุงแตง่งนั่งอยู่นี้นอนอยู่นี้ ทำงานอยู่นี้ไปปรุงอะไรมากมายทํางานให้มันดีให้มันชัดเจนแม่นยำอย่าให้มันพลาดถ้าไม่แม่นยําก็ตั้งต้นใหม่เหมือนแสงตาเรานี่เราดูนานๆไม่กคยพิบมันก็พาลต้องกระพิบสักหน่อยให้มันพักผ่อนกันกระพิบตามันพักผ่อนร่างกายมันเหนื่อยไม่ล้าก็รู้จักพักผ่อนบ้าง อย่ารีดแลงงานตัวเองเกินไปใช่อาหารใช่การบริโภคมากสิ้นเปลืองตาก็ไปหูก็ปล่อยจมูกก็ปล่อยรีดก็ไปกายก็ไปใจก็ไปให้หลุจักสํารวมระมัดระวังนั่นก็สิ้นเปลืองพลังงานถนอมไว้สําหรับไม่เป็นอะไรนี่ ให้มันมากกว่าออื่นอันภาวะที่ไม่เป็นอะไรมันน้อยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็หลุดไปแล้วเป็นสูขไปแล้วเป็นทุกข์ไปแล้วเป็นดีใจเสียใจไปแล้วความดีใจเสียใจมีอายุนานเท่าไหร่ความโกรธความโลภความหลงมีอายุเท่าไหร่มันจริงไหมความไม่เป็นอะไรมันจริงไหมความโกรธมันจริงไหมความไม่โกรธมันจริงไหมความทุกข์มันจริงไหมความไม่ทุกข์จริงไหม ส้มหลงจริงไหมควารู้สึกตัวจริงไหมอะไรมันเป็นธรรมต่อเราให้เรารู้เรื่องนี้การเมื่อรู้เรื่องนี้เรียกปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร น, นี่เป็นปัญญาไม่ใช่รู้จากภายนอกปัญญานี่เป็นปัญญาหลักเป็นเสาหลักก่อนแล้วไปศึกษาเรื่องอื่นก็ได้เหมาะแจงการงานทำอะไรก็ถูกต้องถ้ารู้หลักเสาหลักมีหลักฐานตัวนี้ อ น, นี้คือทรัพย์ของเราอารีทรัพย์อย่าจนถ้าจนอารีทรัพย์ไปแล้วก็จนแล้ว อ, อื่นคนทุกข์ก็คือคนจนอารีทรัพย์คนโกรธคือคนจนอารีทรัพย์คนหลงคือคนจนอารีทรัพย์คนทําชั่วเร็วร้มคือคนจนอารีทรัพย์พอพูดอะไรไปก็วิ่งออกไปไปรักไปชงังไปพอใจไปพอใจ ไปโน่นเขจนเหมือนคนไม่มีบ้านฝนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนถ้าเรามีทำมีอาลีรัพย์นี่มันไม่เป็นไร ห, หายใจมาได้ก็ไม่จนเราไม่จนต่อความเจ็บเราไม่จนต่อความแก่เราไม่จนต่อความตายการฝึกตนเนี่ยมันไม่ใช่เล็กน้อยยิ่งใหญ่มากสําหรับชีวิตแล้วเกิดมาเนี่ย น้ามแม่ให้เรามาเนี่ยเพื่อการนี้พ่อแม่เราอาจจะทำไม่ได้ขอฝากลูกเอาไว้ให้ลูกทำต่อไปจึงมีคนเกิดอยู่ในโลกสืบไปสืบไ้เพื่อการนี้โดยตรงไม่ใช่เพื่อเกิดมาเจ็บเจ็บตายไปเฉยๆถ้าเรามีผัวมีเมียรลกกันก็เพื่อการนี้อย่าแลกกันเพื่ออย่างอื่นเช่นวะสิทะกำนาำเพ็มพาน่ย เราลักลักกันนะความลักอันยิ่งใหญ่คืออะไรคือต้องต้องสร้างต้องมารับผิดชอบเรื่องการเกิดเจ็เจ็บตายของมนุษย์นี่คือความลักอย่าให้เป็นเสียท่เป็นของมีมพาอย่าให้พิมพาเป็นของเสียท่เพียงส่วนเราสองคนความลักของเราอันยิ่งใหญ่อันที่ก็ถ้ามาคิดเรื่องนี้มันก็ภูมิใจอย่างเรานี้มาบวช ก, ก็มีโคบมีครัวเหมือนกัน ไม่ใช่เป็นอ ะ, อะไรเคยสุเคยทุกข์มันมีอรยู่ได้ออมาศึกษาแล้วนี้โอ้ยอเป็นเรื่องกระตือรอ้นเวลาบนหลงลู้ทุนบานโอ้ยกอบกู้ชีวิตได้ก็ตตามที่จุดเรามาทุกรู้ขึ้นมาเนี่กอบกู้ได้ไม่ไมกระทบกระเทือนม า, มาช่วยตัวเองเนี่ยมาดูแลตัวเองปฏิบัติธรรม ไม่ใช่มาเอาฤทธิ์ที่ปัิหาฤทธิ์คือทำให้สำเร็จเล็กๆน้อยๆไปมันหลงทำให้เกิดความรู้เป็นฤทธิ์สำเร็จแล้วมันทุกข์ให้มันเกิดความรู้ฤทธิ์ที่แล้วํำสำเร็จแล้วํำสำเร็จไม่ใช่ฤทธิ์อันอื่นแม้แต่การฝึกก็ไม่ใช่รูปแบบที่โ ง, โ ง, โงูไปน่องหลับหูหลับตาจนไม่รู้อะไรโอ้แห น, น ไ, ไปเลยบางทีพระกรรมฐานเนี่ย เพาอะอาภาธเยอะแะเพราะไม่อยู่จากชาชีวิตการสมาธิไม่ใช่รูปแบบอยู่ในรูปแบบนอกรูปแบบก็ได้สามคนคือมันมีชัดเจนส ม, มาธิคือหนึ่งเดียวทําะไรก็หนึ่งเดียวไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยอ่าลิทธิปัญหานก็ไม่ใช่ไปบริกรรม อาถาอาคมอยู่ยงคงปั่นเราเคยเคยเรียนมาเหมือนกันถ้าจะไปสมัยก่อนไม่โจนผู้ร้ายหาจับโจนผู้ร้ายก็ต้องบนบริกรรมกาถาให้หนังหนา <c oughs> มันก็หลอกเรานะะบริกรรมไปหนังก็หนาจาริงจรงมันหลอ ก, ลอกเราก็ไปตายกันเพราะความหลง คือว่าปืนยิงไม่เข้ามีดฟันไม่เข้ามันก็ตายเพราะมีดเพราะปืนมันหลอกอมันไม่จริงความจริงคือคือไม่เป็นอะไรไม่ต้องปรุงงงต่างๆมีน้าําใจบริสุทธิ์ทำดีได้รับความชั่วได้คือของจริงเวลามันทุกไม่ทุกได้เหมือนหน้ามือหลังมือเปลี่ยนได้ มันก็อยู่กับเราเนี่ยกายเขาอยู่กับเราใจเขาอยู่กับเราออกเป็นอุปกรณ์ทําความดีช่วยตัวเองอะช่วยคนอื่นได้มีคําพูดด้วยมีมือห้านิ้วสิบนิ้วยกของเช็ดต้บโหน้าําตาสักผ้าสักผ่อนทำผ่อนใจได้ยิ่งใหญ่สร้างโลกด้วยมือห้านิ้วสิบนิ้วของเราช่วยกันอย่าไปเถียงข้ากันเบียดเบียงกันเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเรากำลังแตกแยกกัน มีกรุงเทพมากราบหลวงพ่อมาสองวันน่ะที่วัดโพธิ์ทองเขาก็กงังวลจะทำไงหลวงพ่อบ้านเมืองเราจะสงบไหมทําไมเป็นอย่างนี้หลวงพ่อมาคิดจะช่วยอะไรเลยเคยช่วยช่วยอยู่ช่วยยังไงก็ไม่ทํำไ้ใครเดือดร้อนไม่ทำมาตัวเองเดือดร้อนเราก็ช่วยอย่างนี้ไม่ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้คนเดือดร้อนสิ่งอื่นก็ไม่ทําให้เดือดร้อนต่อไปจะมีพร ะ, มพระหมากระจัดอีกหรือเปล่าโอ้ยอย่าไปคิดปนนัญหาขอให้เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะอย่าไปคิดไปกอย่ากังวลว่าแต่เราเนี่ยอย่าไป ยุ่งกับความคิดเรื่องนั้นมาทำความดีเล่ยไปสร้างความดีเลื่อยไปเราอยู่นี้ก็ช่วยคนกรุงเทพเรารักษาดินน้ำไม่น้ำไหลลงไปท่วมทับทาป่าธรรมชาติไม่เบียดเบียนใครแต่มันน้ำก็ยังมีอะไรที่มีโครคภัยไข้เจ็บเลยเพระสุกโตนะ่ะ ขั้งหนึ่งแล้วไม่พอหลวงพ่อเคยป่วยอย่างหนักมาแล้วแล้วก็มีพระป่วยอีกผ่าตัดอีกครัทงที่สองมาเติมลงไปนี่ก็เป็นของกิ่งที่มันเป็นอย่างนี้หลงตาไปดูอาจารย์โบเทีไปจับมือไปจับมือเอาใส่กันนี่ผมเคยเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็เคยเป็นอย่างนี้เราก็อันเดียวกัน สิ่งที่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ได้สิ่งที่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ได้เคยเป็นเหมือนกันทุกคนไม่มีใครยกเว้นต้องเกิดเจ็เจ็บตายเหมือนกันเคยไม่เจ็บมันก็มีโอกาสเจ็บใครไม่แย่ก็มีโอกาสแย่มันไปทางเดียวกันจึงเป็นเพื่อนเกิดเจ็เจ็บตายด้วยกันไม่น่าอิจฉาเบียดเบียนกันนั่นก็เลย ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเรื่องนี้ก็ <c oughs> ลูกของเทศของจริงอย่าเป็นทุกข์เพราะความจริงอย่าเป็นสุขเพราะความจริงอย่าเป็นสุขเพราะความไม่จริงอย่าเป็นทุกข์อย่าโง่เพราะความจริงอย่าโง่เพราะความไม่จริงให้มีสตินี่แล้วตัวเฉลยมีความรู้สึกมีความเลิกได้นี่ เปิดหูเปิดตาตัวเองอย่าหลงในตัวเราเนี่ยมมีของเทศของกร่งโดยการมาเจริญสติมันจะฉายออกมาให้เห็นภพภูมิต่างๆจากากายจากใจ <c oughs> นี่ว่ารูปนามนี่ <c oughs> ให้เห็นหลักฐาน <c oughs> ให้ได้หลักฐานเกินไว้เนี่ย เห็นเป็นรูปเป็นนามอย่าไปคิดนะมันพบเห็นเข้ามันก็แสดงอยู่คิดปุ๊บไปเอ้งโอกรรมอุ้ง ม, มันถูกอยู่เนี่ยมันก็กระบมามันก็โาหูวตัวตากันจับได้เลยทันนะถ้าหนังคาเขาควาหลอกก็จับได้ความหลอกความหลงจับได้ มันก็บอกลงไปจริงๆนี่คือรูปนี่คือนามเมื่อจับหลักได้ๆเขาแตกฉานไปเลยล่ะไปรูปมันบอกดํา ม, มันบอกเท็จจริงไงแล้วก็ฉลาดตรงนี้เป็นกระแสแห่งกรรมะตัววิปปัสนาวิปปัสนาเหมือนลู่กับลนของชีวิตเราเดินไปได้ลาแช่งของตงัวเองแล้วถ้ารู้จักหลักตรงนี้แล้ว จะไปคิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้จะไปหาคำตอบจากความคิดเหตุผลต่างๆไม่ต้องใช้มันเหตุผลมามีการกระทาการกระทานี่จะจำแนกไปเองอันนี้พูดในวฟางสมควรใช้เวลาพระพ่อพอมกัน